สวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันนีสฐานท น, านะคะดำเนินรายการโดยสันนินฐานะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเ็รค่ะก็ล่วงมาสัปดาห์ที่เรียกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2อง8กันแล้วนะคะเราก็จะพบกับ พระมหาภัยบู์อภิปุโนพร้อมทั้งดิฉันเฉพาะวันพฤหั ส, สบดีกับวันศุกร์ส่วนรายการนี้ที่ท่านภัยบู์ได้มาให้ธรรมะเนี่ยจะมีเรื่อยมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วสาหรับที่นี่นะคะและในวันนี้ดิฉันก็อยากจะกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสาธุเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเผยแพร่ชี้แจงทำความเข้าใจกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ เดี๋ยวนี้ก็ต้องเล่นอะไรตามโซเชียลเน็ตเวิร์เหมือนกันนะคะเพราะว่าไปได้ทั่วถึงแล้วก็เป็นอะไรที่คนให้ความสนใจแล้วก็มีผิดบ้างถูกบ้างอยู่ในนั้นบางทีถูกเนี่ยก็เขียนคล้ายๆไม่น่าจะถูกไอที่ผิดก็เขียนเหมือนกับว่ามันถูกที่สุดแล้วเราไปกราบนรัตสการท่านด้วยกันค่ะนมัตสการคท่นคะเดบานค่ ะ, คะก็ยังสืบเนื่องจาก การที่หลวงพ่อคุณปริสุทธโธหรือว่าพระเทพวิทยาคมมรณภาพะนะคะ <'m> ในไลน์เนี่ยก็มีการพูดถึงการชี้แจงของทางสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยจริงๆเขาชี้แจงมาตั้งวันที่19พฤษภาคมแล้วแต่ว่าดิฉันก็เพิ่งหยิบมากล่าวในวันนี้นะคะเรื่องที่ได้ยกขึ้นมาก็บอกกรณีมีผู้โพส ให้งดการพิมพ์คำว่าสาธุต่อการมรณภาพของหลวงพ่อคูณโดย hmm. เขียนเรียนไปยังผู้อำนวยการสนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ hmm. ว่าตามที่ท่านเนี่ยได้บัญชาให้สนักเลขาธิการมหาเทรสมาคมตรวจสอบและเผยแพร่กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความให้งดการพิมพ์คำว่าสาธุต่อการมรณภาพของประเทศวิทยาคมเพราะคําว่าสาธุใช้แสดงอนุโมทนายินดี มุทิตาจึงไม่ควรใช้ในการมรณาภาพของพระควรใช้คำว่าขอน้อมถวายความอาลัยพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสุดซึ้งนั้นนะคะทางมหาเทราสมาคมเนี่ยก็ชี้แจงมาดังที่ดิฉันได้ส่งไปให้ท่านได้ดูเหมือนกันนะคะก็อยากจะกราบขอความเห็นจากการที่ท่านได้เห็นเอกสารนี้แล้ว ด้วยเลยจะได้ไม่เป็นการพูดซ้ําทําให้เราเสียเวลาไปเปล่าๆกับการไปย้ำในสิ่งที่เดี๋ยวท่านก็ต้องพูดนะคะถ้าใ ช, ใช้ใช้คำภาษาทูเนี่ยเป็นคําที่แสดงถึงความเห็นด้วยเช่น <c oughs> ว่าถ้าใครสักคนหนึ่งไปทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาเราก็สาธุสาธุเนแปลว่าดีแล้ว <c oughs> ลดีงามแล้วเห็นด้วยอันนี้เป็นเป็นภาษาบาลีเลย <c oughs> ตัวมาเองก็ใช้เรียนภาษาบาลีมาก็มีคํานี้อยู่ในพระไตรปิฎกเยอะแยะ ทั้งที้เป็นพุทธพจน์ทั้งที่เป็นคำพูดของสาวกอะไรต่างๆมีอยู่หมดแต่ภาษาเป็นภาษาบาลีถูกต้องเป็นภาษาบาลีซึ่งหมายถึงว่าเสียงแบบนี้ด้วยเขียนแบบนี้ด้วยใช่ถูกต้องเป๊ะเลยมีจุดมีอะไรไม่มีเหมือนอย่างที่ภาษาไทยเราเขียนเลยแล้วก็หมายถึงว่าสนับสนุนเห็นดีด้วยแต่เพื่อนๆก็สมมุติว่าถ้าคุณยมติ๋วได้ไปกราบศพหลวงพ่อคูณมาใช่ไหมแล้วก็ได้ไปบอกเพื่อน เพื่อนก็ยินดีด้วยโอ้เธอได้ไปกราบแมมฉันก็อยากจะไปด้วยแต่ฉันไม่ได้ไปเอาสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วอันนี้สามารถใช้ได้แน่นอนแล้วว่าสาธุการที่เธอได้มีโอกาสดีเหลือเกินไปกราบไปกราบนะคือการบูชาผู้ที่ควรบูชาอันนี้เป็นสิ่งดีอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเช่นมาก็เห็นดีเห็นงามด้วยอันนี้เหมาะสมอยู่แล้วอันนี้เหมาะสมสามารถใช้ได้แต่ถ้าในในทางตรงกันข้ามเช่นว่าถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ในในทางธนร้ามเช่นเรื่องไม่ดีเช่นไฟไหม้บ้านหรือว่าเงินหายญาตตายมีเพื่อนมาบอกเราโอ้โหดูสิหมอเขาวินิจฉัยว่าฉันเป็นโรคนี้ อ, อ่อสาธุเ่อามันไม่ใช่มันกลลวเรื่องละ่ ะ, ละค่แต่คํานี้ใช้ไม่ถูก ค, คือคือเราจะไปเห็นดีเห็นงานกว่าการที่เขาป่วยเจ็บไข้หรือว่าเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยมันผิดกาละผิดเวล า, านี่ย้นขออภัยนะคะมสมมติกับกรณีมรณาภาพของหลวงพ่อคูณเลยถ้าสมมุติว่ามีข่าวออกมา แล้วก็มีคนส่งขาวไปบอกเพื่อนบอกว่านี่หลวงพ่อมรณะภาพแล้วนะเพื่อนสาธุกลับมานี่ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องใช้อยังงี้ไม่ถูกต้องะแต่ถ้าถ้าเราเราลองพูดถึงการที่ได้ไปบูชาท่านอาจจะเป็นศรีระหรือว่าขณะที่ท่านมีชีวิตยอยู่อันนี้ควรจะใช้คํำภาษาทูได้เนาะค่ะแล้วก็ถ้าสมมติอย่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่กรณีของประเดศพระคุณหลวงพ่อคูณ mm hmm. ก็อย่างเช่นถ้า มีใครเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่ายกตัวอย่างมว่าเขาป่วยหนักใช่ไหมคะอจจะเรื่องที่ไม่ดีในกรนี่เป็นมะเร็งไปละในทางนี้บอกสาธุในความหมายสำหรับโลกโลกนะคะก็อาจจะคิดเลยว่าอีแต่คนที่ป่วยเนี่ยต้องเป็นคนไม่ดีแน่เมื่อได้บอกใครไปเขาเลยอ๋อสาธุเ<อ>พราะใช้ชีวิตไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้จะเป็นความพอใจคือความรักที่เกิดจากความเกลียดนะ เราเกลียดเขาพอเขาเจอสิ่งไม่ดีเราก็พอใจก็เลยสาทู่กับสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเจออย่างนี้แต่สรุปแล้วตามที่ท่านอ่านจากมหาเทระสมาคมที่ท่านเห็นท่านแยกแยะไว้หมดเลยนะคะใช่ใชเยอะมากมายอันนี้อันนี้ก็คือหมายความว่าในทางภาษาบาลีเนี่ยเขาคําเดียวเนี่ยบางทีแปลได้หลายความหมายแต่อยู่ที่ว่าเราจะวิเคราะห์สามมาในลักษณะใดในนี้เห็นมีตั้งหกไตรยใช่ใมีอะไรนะคะสุนทระ สุนทรสทรสมแปลว่าสาตุเหมือนกันเหรอคะความดีงามเป็นเป็นความหมายเป็นความหมายใช่ว่าในนัยที่ว่าเป็นความดีงามก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นนัยที่ย้ําสมมุติว่าคุณแน่ใจนะว่าทรแบบนี้แน่นอนนะใช่ก็คือสาธวุนี่ก็ได้คือเป็นการย้ําตอกย้ำอ่ะที่พูดไปเนี่ยชัวคอนเฟิร์มอย่างนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าดิฉันบอกว่าท่านคะรักษาศีล5้าแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่า อ่สาธุได้เลยใช่ไหมคะได้เลยใช่นี้ก็คือได้พูดไปแล้วอ่ะที่บ้านไปแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อายาจะขณะหรือไงคะที่ท่านอ่านไม่เห็นเลยอายาจนะอายาจนะอืมในยะนี้ยังไงคะท่านคะอันนี้หมายความว่าเวลาที่เราจะพูดเรื่องอื่นๆต่อไปคือจบเรื่องนี้ละค่ะก็เหมือนกับบ y the way วในภาษาอังกฤษอ่าบาย y ดอก็อีกเรื่องหนึ่งเริ่มขึ้นมาอาสาธุคือนนี้จบละ อ่อาซาทุซาทุอ่าแล้วเริ่มเรื่องใหม่คือเป็นลักษณะว่าจะจบเรื่องนี้แล้วนะแล้วจะเริ่มเรื่องใหม่อ๋ออืมจะพูด <ka. S 1> เรื่องใหม่ต่อไปเอ่ออย่างเช่นว่าเรากํากลังคุยเรื่องนี้อยู่อ่อาซาทุอ่าจบเรื่องนี้แล้ว เ, เริ่มเรื่องต่อไปใหม่จบคือจบด้วยความดีแล้วนะคือเราคุยเรื่องนี้จบแล้วดีแล้วจบไปจบอ่าเริ่มเรื่องใหม่ลักษณะนั้นค่ะซ้ำปฏิชนะอันนี้หมายความว่าเป็นการยอมรับคําพูดของบุคคลผู้นั้นเช่น มีครั้งหนึ่งพระพุตรเจ้าเมื่อหลังหรือยังไงเลยล่ะก็ให้ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแทนทูตพระองค์ก็นอนเสียสละฟังพระธรรมเทศนาที่ท่านพระสารีบุตรแสดงอยู่แต่ท่านพระสารีบุตรก็ร่ายยาวไปเลยนในพระสูตรนี้ยาวมากอยู่ในทีฆานิกายด้วยแตรวบรวมมาทำมาหมดหนึ่งหมวดสองจนไปถึงหมวด10บแยาวมากพระบรุทรเจ้าก็บอกว่าสาธุแต่ก็คือดีแล้วสารีบุตรเธอพูดดีแล้วก็คือเป็นการรับรองคําที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยพูดไว้ทั้งหมด ในนี่คือรับรองพอใจยินดีแม้แต่รับรองพระสงฆ์ที่เป็นสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้น้อยมากกว่าก็ใช้คําว่าสาธุได้เช่นเดียวกันใช่<ส>ใชอันนี้มันจะมีคําหนึ่งเช่นว่าถ้าบอว่าเราพูดกับบุคคลที่สูงกว่าก็จะสาธุพันเตค่ะแต่สาธุพันเตอันนี้อาจจะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ใช้ด้วยซ้ําเวลาที่เราไปขอเข้ามาต่อครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนั่นพูดอะไรมาเราก็จะสาธุพันเตอย่างเนี้ยนะค่ะ หรือหรือถ้าเราพูดกับคนที่ต่ำกว่านะก็จะใช้คำว่าพันเตนี่ก็จะเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนเป็นอาวุโสหรืออเ s สมาก็แล้วแต่กรณีค่ะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะคะอาจจะรู้จักแต่ภาษาธรรมดาแบบพวกเราพอได้ยิน บ, บ อ, อ, อนกว่าเอออ่อนอาวุโสกว่าทำไมทาไมถึงใช้คำว่าอาวุโสอันนี้ก็เป็นภาษาบรลีเหมือนกันนะคุณยำาติคือถอาวุโสก็จะต้องมาคู่กับพันเตง่ะพันเตเนี่ยหมายถึงผู้เจริญ ใช้เรียกบุคคลที่มีภรษามากกว่าสูงกว่าเราดีกว่าเราเช่นภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะเรียกพระพุทธเจ้าใช้คําว่าพันเตหมดค่ะนะพันเตหรือใช้คําว่าพักควาแต่นะคือใช้คําพวกนี้เหล่านี้ได้ค่ะส่วนภิกษุที่มีภรษามากกว่าจะเรียกภิกษุที่มีภรษาน้อยกว่าใช้คําว่าอวุโสก็ได้ค่ะอย่างนี้ไปต้นค่ ะ, คะจะได้ไม่งงกันทีนี้คําว่าอีกในอีกในหนึ่งสาธุ นี่หมายถึงคนได้เหรอคะหมายถึงคนดีเนะะี่ยค่ะใช่ส า, ช<น>สาธุชนสาธุชนใช้คํานี้ได้เลย<อ>สาธุชนผู้มีศรัทธานี่เขาเขใช้กันคือต้องใช้ประกอบกับคําอื่นด้วยสิค ะ, ะสาธุช น, น, นท่ว น, นจะไม่สมบูรณ์จึงมีความหมายคําว่าสาธุเนี่ยจึงมีความหมายว่าเป็นคนดีก็ได้ไงใช้เป็นตัวขยายของชนคนนั่นก็คือคนดีส่วนซ้ำประหังสาในายะนี้เป็นยังไงคะอันนี้ก็แสดงความยินดีความพอใจ แล้วก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ารับรองคำรรของท่านพระสารีบุตรใช่ไหมแล้วก็ภิกษุทั้งหลายก็สาธุด้วยเหมือนกันแต่ซึ่งคําว่าสาธุที่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเขาเขากล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการรับรองคำรรของท่านพระสารีบุตรแต่เป็นความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นว่าแม่ได้ฟังทำชุดนี้ดีใจอย่างเงี้ยสาธุทีนี้ทางเอกสารบันทึกข้อความของสํานักเลขามหาเทรสมาคมก็จึงสรุปว่า สำหรับคำว่าสาธุปแปล ว, ว่าดีแล้วชอบแล้วดังนั้นการเปล่งวาจาสาธุ <c oughs> ก็เพื่อแสดงความเห็นชอบชื่นชมหรือยกย่องสรรเสริญเพื่ออนุโมทนาในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทํานั่นเองอในกรณีที่อนุโมทนาผู้อื่นทําอย่างเช่นเห็นใครเข้าไปกราบหลวงพ่อคูณมาจึงไม่ใช่การใช้คําผิดหรือไม่เหมาะสมอย่างที่มีคนโพสต์ไว้แต่อย่างใด โอ oh, อย่างนี้นี่ขอแสดงความชื่นชมเลยนะคะอคือเหมือนกับว่าเมื่อพบว่าผิดในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีปล่อยปๆไปคนมาเล่นโซเชียลทีหลังนะคะก็มาเจอข้อความที่ถูกคนที่ผิดแล้วเนี่ย <laughs> กระทรงอีกก็ผิดซ้ําผิดซ่ากันอยู่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่พูดไว้ตอนต้นรายการว่าเราต้องแยกใช้ให้ถูกแต่ว่าเขาไปกราบศพมาอนนี้แต่ถ้าพูดถึงความตายหรือว่าเขาเจอทุกอย่างในอย่างหนึ่งก็ไม่ควรใช้ตรงนี้ ก็ต้องแยกกันจริงๆแล้วดิฉันเข้าใจว่าคำว่าสาธุกับคำว่าอนุโมทนาเนี่ยเป็นคำที่ถูกใช้กันมากที่สุดในยุคนี้เลยนะคะเพราะว่าดิฉันสังเกตนะคะเวลามีใครส่งเรื่องการไปทำความดีไปทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีสองคำเนี้ยอนุโมทนากับสาธุต่างกันไหมคะสองคำนี้หรือว่าเหมือนกันจะจะต่างกันอยู่จะต่างกันอยู่ก็มั้ยอนุโมทนาเนี่ย อย่างเช่นพระสงฆ์พระสงฆ์มีผู้ที่มาถวายทานกับตัวท่านเองใช่ไหมแล้วก็ผู้รับเนี่ยก็จะกล่าวว่าอนุมโมทนาด้วยอนุมโมทนาคือความยินดีในการที่เขาได้สร้างบุญสร้างกุศ ล, <c oughs> ลคือความยินดีในการที่เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลคือยินดีด้วยกับการที่คุณได้ทําบุญอ่ะยินดีด้วยแล้วเขาก็จะอนุมโมทนาท <c oughs> ีนี้จะจะกล่าวยังไงล่ะ ว่าฉันอนุโมทนาก็จะใช้คําว่าสาธุแต่นะคำว่าสาธุเนี่ยจึงเป็นวาจาเป็นวจีกรรมนะที่เป็นมาจากมโนกรรมจากการที่เราอนุโมทนากับเขาที่เขาได้ทำเป็นอย่างนะี้นะเพราะฉะนั้นอ น, อนุโมทนาเนี่ยจึงเป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่เห็นคนอื่นแต่เขาไปทําบุญบแล้วคุณอาจจะแสดงออกมาทางวาจาด้วยคําว่าสาธุ ค, คือสาธุนี่มันยินดี่อยู่ๆๆๆแล้วนะ ยินดีในการที่เขาได้ไปทําความดีตรงนั้นเพราะฉะนั้นสาธุษเนี่ยจึงเป็นวชิกรรมเป็นการที่เราพูดออกมาทางวาจาแสดงออกถึงความที่เรามีอนุโมทนาจิตอนุโมทนาที่เขาไปทําความดีมาค่ะ อ, ะอเพื่อนดิฉันก็เขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ได้ไปใส่บาตรมาแล้วดิฉันก็อนุโมทนาค่ะอืมดิฉันพูดอย่างนี้ก็ถูกใช่ไหมคะได้ได้สามารถทาได้ และพอดิฉันอนุโมทนาไปเพื่อนดิฉันบอกสาธุเพื่อนดิฉันได้ไปใส่บาตรเนี่ยสาธุกลับมาเนี่ยได้ไหมคะก็ก็ได้เหมือนก็คืออย่างนี้แต่สิ่งที่คุณโยมติ๋ว่าจะพูดแล้วมันถูกต้องกว่าเนี่ยก็คือคําว่าสาธุแต่คุณโยมติ๋วก็สาธุด้วยสาธุวาอะไรเพราะว่าจิตใจที่ฉันมีความอนุโมทนากับอะไรกับการที่เธอได้ไปใส่บาตรมาแต่เธอได้ไปใส่บาตรมาฉันก็เลยมีอนุโมทนาจิตก็เลยกล่าวคําว่าสาธุออกไปแต่พะฉันกล่าวคําว่าสาธุออกไป ในยินดีกับการที่เธอได้ไปทําบุญตรงนี้มาแล้วบุญเกิดที่จิตกุญโยมติวนะ e บุญใหม่จากการอะไรจากการที่เราอนุมโมทนากับการที่เขาไปทําความดี e บุญเขาไม่ได้ลดบุญเราก็เพิ่มขึ้นมาจากอนุมโมทนาจิตตรงนี้ที e นี้การที่เขากล่าวสาธุออกมาก็คือว่าเหมือนก็ก็ค่ะตอบอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ย <ide> ก็คือเป็นการ e <de> <ide> รับรอง e <de> <ide> เป็นการรับรองคํากล่าวของคุณยโยมติวแต่ท e ี <de> ่ท่าน อ่าได้กล่าวตอเมื่อสักครู่นี้ท่านหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนดิฉันบอกว่าไปใส่บาดมานะคะดิฉันควรจะตอบว่าสาธุมาก<ช>กว่า<ช>เพราะว่าอนุโมทนานั้นเป็นอนุโมทนาจิตอยู่ในใจใช่เป็นเป็นคำนามที่หมายถึงการที่เรายินดีกับเขาแล้วแตว่า<อ>คุณจ ะ, ะจะแสดงออกความยินดีเนี้ยด้วยคาพูดอย่างไรทุกคนจะถามถึงว่าอ๋อแล้วไปใส่บาทกี รูปทําอะไรไปใส่บ้างแม้ดีใจจังยินดีด้วยคอย่างเงี้ยก็คือแสดงออกถึงความที่จิตเรามีอนุโมทนากับการที่เขาได้ไปทําความดีตรงนี้อ๋อดิฉันยังเข้าใจว่าอนุโมทนาก็เป็นคล้ายๆเป็นวาจาที่สําหรับกล่าวแสดงความยินดีก็เขาก็จะใช้ร่วมกันนะคือคือในภาษาไทยเนี่ยมันก็ใช้ปนกันไปแล้วล่ะอนุโมทนาสาธุอะไรก็ใช้ใช่ค่ะ ยังมีอีกนะคะมีอนุโมทามิอย่างนี้ค่ะอ๋อก็มาจากศัพท์กันี้นั่นเองอนุโมทนาอนุโมทามินี่ก็ถูกเหรอคะเออนี้เป็นภาษาบาลีอนุโมทามิเนี่ยเป็นภาษาบาลีทามิหรือทนามิคะท่านคะทามิทามิอนุโมทามิใช่เป็นภาษาบาลีแปลว่าอะไรคะท่านคะก็แปลว่าอนุโมเป็นกิริยาไงอนุโมทามิเนี่ยเป็นกิริยาใช้เป็นกริยาภาษาบาลีนะอนุโมทามิเนี่ยมุ่งบอกถึงว่าตัวฉัน อนุโมทนาซึ่งตัวนี้เป็นคำกริยาคือคือคกริกรยาเนี่ยของภาษาบาลีเนี่ยด้านหลังมันจะแปลงรูปแต่ถ้ามิก็หมายถึงตัวเองถ้ามะกเะ็เป็นเอ่อเป็นเอกพจน์พวกหูพ่นก็จะเปลีปย่ยนแปลงไปเพราะเดี๋ยวนี้ดิฉันได้ยินบ่อยนะคะเวลาที่อ่าการกล่าวคำสาธุสาธุสาธุ นูโมทามิก็จะมีรูปแบบที่ในในบางที่จะใช้กันค่ะค่ะแล้วก็บางที่บอกว่าพูดดังๆนะจะดีอืมอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงวชีกรรมค่การแสดงถึงวชีกรรมที่มาจากมโนกรรมก็คือว่าเราเอาโวัฒนากับเขาจึงกล่าวคาว่าสาธุออกมาอืมอะงั้นเดี๋ยวตัว น, นี้ยาวนะอันนี้เวอร์ชันยาวนะถ้าสาทูนุโมทามิเนี่ยคือเวอร์ชั่นยาวยาวมาจากอะไรสาธุนี่คือยินดีกับการที่ เขาได้ไปทำความดีมาถูกไหมค่ะนะแล้วฉันอนุโมดามิเนี่ยมันย่อเป็นคําย่อมาจากคําว่าอาหางอนุโมดามิอาหารก็คือตัวฉันอนุโมทนาด้วยอดีแล้วฉันอนุโมทนาด้วยนี่คือประคำแปลเลยสาธุอนุโมดามิค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะคาแปลตรงเป๊ะเลยนะสาธุก็คือดีแล้วใช่ไหมอนุโมดามิฉันอนุโมทนาด้วย ออกเสียงถ้าบาลีนี่ของดามินะคะใช่อนุโมดามิท่ามิทั้นแหละคือสะกดด้วยทอทหารแต่ว่าเวลาออกเสียงก็จะดอเด็กนิดนึงใส่เข้าไปอ๋อค่ะท่านอจางคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตที่จะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในกรณีถ้าหากว่ามีท่านใดก็แล้วแต่ได้ไปสร้างบุญใหม่ขึ้นมานะคะแล้วเรายินดีเขาทราบ เมื่อเรารับทราบแล้วเรายินดีกับเขาเราจึงแสดงอนุโมทนาจิตถูกไหมคะใช่ที่มีความอนุโมทนาเปล่งวาจาถ้าให้ถูกต้องคือเปล่งคําว่าสาธุาธที่มีอนุโมทนาจิตอยู่ข้างในนะคะเป็นอันว่าเราก็จะพลอยได้กุศลจากการที่อนุโมทนาด้วยจิตของเรานั้นและเปล่งวาจาออกไปโดยที่ต้นทุน คนที่ไปทำในสิ่งที่เป็นกุศลทำดีนั้นเขาก็ไม่ได้เสียหายของเขาเราไม่ได้แบ่งจากของเขามาถูกต้องนะคะแล้วเราได้ไหมคะท่านสรุปเราก็ได้บุญตรงจุดเหมือนต่อเทียนคุณยมติว ค, คือถ้าเรามีต้นเทียนอยู่เขามีเทียนอยู่แล้วเขามีเปลวอยู่แต่เราไม่มีเปลวเขาเอาเทียนมาต่อให้เราเนี่ยเปลวเขาไม่ได้ล้นลงไปน ะ, ะแต่เราก็มีเปลวใหม่ขึ้นมาใช่หค่ะและในกรณีที่ เราได้ยินคำว่าอะนุโมทามินั้นจริงๆแล้วเป็นการย่อมาจากภาษาบาลีว่าอะหังอนุโมทามิใช่ซึ่งแปลว่าฉั น, ฉนอนุโมทนาด้วยด้วยนะอ่าค่ะอหังแปลว่าฉันอะหังแปลว่าฉันถูกต้องนะคะอนุโมทามินี่เป็นรูปแบบของกิริยาของาภาษาบาลีของการอนุโมทนาใช่ใช่อะหังอนุโมทามิ และที่เราได้ยินเขานิยมพูดกันเต็มๆก็คือสาธุสาธุอนุโมทามิเนี่ย น, นะคะก็แปลว่าสาธุสามครั้งแล้วก็อะหังอนุโมทามิใช่ค่ะโอเคอชัดเจนนะคะดิฉันว่าชัดเจนมากอ่าก็คือนี่เป็นภาษาบาลีที่เราจะพบเจอกันอยู่เป็นประจาในชีวิตของเราเดี๋ยวแยะมากโดยและที่ใช้ถูกก็มีที่ใช้ผิดก็มีนะคุณโยมเต๋ว แล้วบางทีใช้ผิดเ น, นะคะใช้ไป น, นานๆมันเป็นถูกนะคะไอ้ของถูกกลายเป็นผิดเลยเพราะว่าก็ใช้มาจนอยู่ในฐานที่เข้าใจแล้วดิฉันเข้าใจแล้วว่าแฟบเนี่ยแปลว่าผงซักฟอก <laughs> เพราะฉะนั้นจ ะ, จะมาเป็นอื่นใดเนี่ยไม่ได้สมมติแฟบเกิดไปผลิตสบู่ขึ้นมาเนี่ยอืแล้วก็ชื่อแฟบเนี่ยนะคะ <laughs> ก็ถูกเข้าใจไปแล้วว่าไม่ได้มันเป็นผงซักฟอกอค่ะแล้ว ก, ก็ก็ต้องใช้กันไป อันนั้นก็จะยกตัวอย่างคําหนึ่งที่ที่เราใช้ผิดกันค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนนิดนึงคนั่นคือคําว่าโอโหสิค่ะโอโหสิใช่โอ้โหสิเนี่ยเราจะมาใช้คําว่าเป็นขอให้เป็นโอโหสิกรรมนะขอให้เป็นโอโหสิกรรมซึ่งความหมายของคําว่าที่เราใช้นะที่เราใช้คำว่าขอให้เป็นโอโหสิกรรมคือฉันไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาไม่ดีเนี่ยฉันก็โอโหสิให้ฉันด้วยอย่างเงี้ยนะ ก็ค<ข>เป็นเป็นกรรมผูกพันกันต่อไปกอย่างนี้นะคะขอให้เธอให้อภัยฉันด้วย mm hmm. ก็คือแทบจะใช้แทนกันได้เลยนี่คือความหมายที่หนึ่งนะหรือว่ายกโทษให้ด้วยให้อภัยให้ด้วยหรือว่าอย่าให้มันผูกเวนกันเลยนี่คือลักษณะของคำว่าโอโหสิที่เราใช้กันนะแต่คําว่าโอโหสิเนี่ย <c oughs> เป็นคําภาษาบาลี่ <c oughs> มันก็คือเป็นคําทั่วๆไปอว่าได้กระทําแล้ว mm hmm. แปลว่าได้กระทําแล้วโหสิโหติเนี่ยก็คือเหมือนกับ ทำแล้วนะฮะอ่ ะ, อะเติมอ่ะข้างหน้าเข้าไปก็คือแปลว่าได้กระทําแล้วอ๋อโหสิทุ่นๆเนี่ยก็มีอะะมีมีมอ๋อเพราะคนก็ชอบพูดโหสิในความเข้าในความหมายของคํ า, าว่าอ่ะโหสิเพราะพูดสั้นๆค่ะเหมือนมหาลัยเป็นมหาขอโทษนะเมหาวิทยาลัยเป็นมหาลัยอ่าลักษณะนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนกันนะโหสิเนี่ยอหมายเขามาได้กระทําแล้วได้กระทําแล้วเช่นว่าข้าว เราได้กินแล้วนะก็ได้กระทําตรงนี้ไปแล้วคือใช้กับคําทั่วๆไปเลย mm. เช่นว่าอ่านหนังสือได้กระทําแล้วกินข้าวได้กระทําแล้วคือบ่องบอกถึงความที่เป็นอนดีตที่ผ่านมาแล้ว yeah. นะ oh, okay. คําว่า okay. เติมอ่านเข้าไปเนี่ยคือเป็นลักษณะของอดีตเป็น past t e s นิดหนึ่ง oh. นะอดีตที่ไม่ไกลาจากปัจจุบันมากนะักเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าเราสมมติว่าเร า, เาไปตีเขาเมื่อวานนี้ อันนี้ก็เป็นอโหสิกรรมอยู่แล้วมันชัดเจนเพราะอะไรได้กระทําไปแล้วจบแล้วก็จะมา ค, ะคือถ้าในทางภาษาบาลีมันจะเป็นอย่า ง, งนี้เนีทีนี้พ อ, ม, อมาใช้ในภาษาไทยมันกลับเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ในข้อเท็จจริงนั้นที่ว่าได้ไปตีเขาเมื่อวานนี้แล้วมันเป็นอโหสิกรรมด้วยตัวของมันเองคือเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้นอืแต่ถ้าในความหมายที่จะมาเข้าใจกันแบบปัจจุบันว่า ไปตีเขาอผ่านมาแล้วแล้วก็มีอโหสิกรรมเรียบร้อยไม่มีความผิดไม่ใช่ถูกไหมะไม่ใช่ไม่ใช่คือยกโทษหรือยังไม่ยกโทษอันนี้ยังให้อภัยหรือยังไม่ให้อภัยยังไม่ใช่ประเด็นยังไม่ได้พูดถึงในที่นี้แต่มันไดกระทําไปแล้วถ้าความหมายสมมุติว่าคนพูดเนี่ยเป็นคนที่ใช้ภาษาบาลีอย่างเงี้ยนะคะเป็นมนุษย์ที่ใช้ภาษาบาลีคุณไปตีเขาแล้วเขาพูดคําว่าอโหสิกรรมไม่ได้แปลว่าเขายกโทษให้นะไม่ใช่ถูกไหมคะถูกต้องแปลว่ามัน ตีไปแล้วอ่าก็คือคุณแก้ให้แฟกอย่างหนึ่งให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งท่านหนึ่งท่านคะอย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดเกิดดิฉันอยากจะให้มันเกิดผลทางความหมายของการไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อไปจะต้องพูดยังไงล่ะคะก็คือไม่ผูกเวรในการไม่ปลูกเวรก็คใช้คํานี้เพราะฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยจึงเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะชัดเจนเคลียร์ในเรื่องความหมายนะคุณหยงติ๋วแต่ตรงนี้ว่าถ้าคุณไม่ต้องการปลูกเวรคุณก็อย่าปลูกเวรกันก็ใช้คําว่าณเวเร ณเวเรหิ hi, อย่างนี้ก็ได้แตคือไม่ปลูกเวรกันนะเวเรหิอ่ะหินี้มันคือเติมขึ้นมาเพื่อให้มันสมบูรณ์เป็นประโยชน์นะก็คือเวรใช่ไหแล้วก็เติมณเข้าไปแค่นั้นเองนะแปลว่าไม่ไม่เวรก็คือการปลูกเวรแปลว่าอ๋อเวรนี่แปลว่าการปลูกการปลูกเวรเวระเนี่ยอ๋อโดยคําว่าเวรเองเนี่ยมันมีการปลูกอยู่ในนั้นแล้วใช่ใช่ใช่ณเวเรหิ จะเสนอราชบัณฑิตดีไหมคะเนี่ยต่อไปนี้ท่านช่วยเปลี่ยนโอโหสิกรรมเป็นณนะเวเรหิตอืมเอ่อก็ก็ถ้าเราเข้าใจความหมายในความหมายนี้คือบปลว่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นการปลูกเวรหรือว่าการตั้งจิตแบบไหนอนุโมทนาสาธุเนี่ยมันอยู่ที่จิตอยู่แล้วแตถ้าจิตเราคือจิตเนี่ยมันไม่ได้มีภาษาไงจิตไม่ว่าจะเป็นจิตของทัมูมฟงังกุโยมติว๋วผู้พูดัาษากรีกภาษาไทยหรือภาษาอะไรก็ตามเนี่ยจิตเนี่ยมไม่ได้มีภาษา มันมันก็เป็นภาษาของจิตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่คนเราบางทีไม่ได้คิดเป็นคําพูดด้วยซ้ำแต่ว่าเห็นเป็นรูปภาพเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยถ้าในพจนานุกรมนะคะคําว่าอโหสิเนี่ยจะแปลว่าเลิกแล้วต่อกันยกโทษให้กรรมที่เลิกให้ผลนั่นแหละนั่นแหละทีนี้ถ้าไปเปิดพจนานุกรมภาษาบาลีเขียนเหมือนกันเว้ไรนะแต่แต่ปลว่าได้กระทําแล้วออเป็นอย่างนั้นนะ มามีพจนานุกรมภาษาบาลีก็แปลว่างี้แหละได้กระทําแล้วค่ะทีนี้ถ้าเราจ ะ, ะพูดประโยชน์ในภาษาไทยอย่างเงี้ยเราใช้อโหสิกรรมได้เพราะว่าราชบัณฑิตรับรองนะคะอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใช่ใชแต่ถ้าจะให้ได้ผลในเรื่องของทางธรรมถูกไหมครเพราะว่าบางคนอาจจะบอกอก็พูดอโหสิกรรมมาแล้วกรรมเกินมันก็ไม่มีอืแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันจึงเหมือนกับมีผลกรรมแอบันนั้นสมมตินะคะ ถ้าสมมุติเป็นทางหลักธรรมเลยนะคะถ้าต้องการที่จะไม่ให้เกิดการผูกเวรกันต่อไปเนี่ยจะต้องทําอย่างไรคะอยู่ที่วางจิตเท่านั้นเองอยู่ที่วางจิตถ้าเราวางจิตในลักษณะที่มีเมตตาละมีการไม่ผูกเวรมีการเอื้อเฟื้อการมีความรักใคร่ดนดูกันเนี่ยเวรมันไม่ผูกต่อไปอแล้วความที่มันจะผูกโกรธมักโกรธเนี่ยจะไม่มีอยู่แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะใช้ภาษาบาลีหรือภาษาไทยที่เพี้ยนๆนิดนึงหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตาม เพราะมันอยู่ที่จิตมันเป็นอย่างนี้อออยู่ที่กรรมตรงนี้มันผูกอยู่ที่จิตไงค่ะออันนี้สําคัญท่านผังคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้ได้ผลอย่างแท้จริงลําพังเพียงแค่เรากล่าวคําว่ า, อาโอ้โหสิกรรมซึ่งจริงๆโดยโดย้วยความหมายที่เราเข้าใจว่าไม่ไม่ผูกเวกรกันเลิกแล้วต่อกันให้อภัยกันอันนี้จิตแบบเนี้สําคัญกว่านะคะเพราะว่า<ม>คํำเป็นแค่การสมมุติมาเพื่อ<ม>ใช้สื่อความกัน ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็คื อ, อพอเรากล่าวคําใดคําหนึ่งซึ่งแสดงถึงสภาวะจิตของเราใช่ไหมค่ะและนี้สภาวะจิตที่เป็นแบบเนี้ยด้วยการให้อภัยกันเนี้ยวาจาที่เปล่งออกไปก็จะเป็นวาจาที่ประกอบด้วยความรักความเมตตา ก, กันเช่นว่าเธอกินข้าวหรือ ย, ยังเธอเป็นยังไงเหนื่อยไหมจะช่วยอะไรเธอได้หรือเปล่าในการเปล่งวาจาลักษณะนี้ออกไปจากจิตที่เป็นแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นวจีกรรม ซึ่งความหมายของคำว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดคำว่าโอโหสีเลยก็ได้ที่เป็นความหมายอย่างคําไทยที่ใช้กันน ะ, ะแต่ว่าวาจาแบบนี้เป็นวจีกรรมที่แสดงถึงความที่โอโหสีกรรมให้กันอยู่แล้วอืมค่ะสําคัญที่ใจใช่เรื่องนี้สําคัญที่ใจคือ น, นี่คือตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยค่ะว่าสําคัญที่ใจที่เออมันจะตั้งไวเป็นหลักเป็นประตานก่อนค่ะค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะเราก็ กํากลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันนิษฐานาวันนี้เราเอาเกร็ดหรือย่อยที่สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่ในปัจจุบันจะได้เข้าใจกันให้ถูกแล้วก็ช่วยเผยแพร่ต่อๆกันไปด้วยกันละกันนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังาย่ําอยู่กับที่ยังถกเถียงกันหรือยังเข้าใจกันในสิ่งที่จริงๆมันควรจะไปต่อไปหาทางจบที่ถูกต้องได้แล้วดิฉันเองเนี่ยเป็นคนชอบคําว่าสวัสดีอื ก็มีความรู้สึกว่าไปเปิดในประวัติของคำว่ามีความหมายที่ดีในทางที่เป็นมงคลก็จึงอยากทราบเหมือนกันว่าภาษาบาลีนี่มีคำว่าสวัสดีไหมคะอ๋อมีอ ม, มีก็คือโสถินั่นเองค่ะโสถิเนี่ย เ, เป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลว่ า, าสวัสดีนั่นเองอแล้วจริงๆคำนี้เพิ่งมาเริ่มใช้ ไม่นานนี้นะค่ะอที่มาจากภาษาบาลีโดยคําว่าสวัสดีนั่นเองที่ที่ว่าแบบคนไทยต้องการคิดค้นคำํำรู้สึกเพิ่งจะมีมาในช่วงหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เท่านั้นเองนะ่ะที่เขาเขาเริ่มจะมีการคําทักทายกันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดีฉันก็เคยเห็นประวัติเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องเปิดตําราพูดทุกครั้งเลยนะคะคือเคยอ่านรู้แต่ว่ามีที่มานี่แหละเดี๋ยวเ่าคนคิดเนี่ยคิดเก่งอ่าสําหรับ ในทางคําสอนของพระศาสดานะคะอืโสติ่จะอยู่ในเรื่องคําสอนเรื่องอะไรกะนะคะ อ, อก็คือพูดถึงกุศลกรรมกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทําแล้วมันจะมีความสวัสดี อ, อะจะมีความดีความงามเกิดขึ้นอันนี้เป็นคําสอนที่เป็นลักษณะเป็นไปนในทางนุ่มนวนลโดยใช้วิธีละมุนละ ม, ม่อมค่ะในในที่นั้นมหมายความว่าความดีความงามสองอย่างนะคะใช่ดีหรืองามก็ได้สุเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคือตรงนี้จะใช้ในบริบทที่ว่าพูดถึงเช่นศีลแต่คุณรักษาแล้วก็จะมีความไม่ร้อนใจ ค, ความไม่ร้อนใจความปีติความประโมดอันนี้เป็นที่หวังได้และเป็นความสวัสดีเกิดขึ้นอันนี้ก็คือใช้คํานี้ในบทสวด บ, บางบทเราจึงจะได้ยินคําว่าโสถิเหมือนกันนะคะใช่บทที่ประสงค์ กล่าวนุโมทนานี้ก็มีค่ะแปลว่าท่านกําลังบอกว่าทั้งหมดที่สอนให้ทําเนี่ยทําแล้วจะเกิดความสวัสดีกับชีวิตการที่กล่าวคําสวัสดีกันจริงๆแล้วจึงไม่จําเป็นต้องมีคําอื่นต่อไหมคะอย่างเช่นดิฉันจะทักทายเพื่อนสวัสดีค่ะขอให้เธอมีความสุขนะอย่างเงี้ยถ้าอยากพูดสั้นๆไม่จําเป็นต้องมีขอให้เธอมีความสุขได้ไหมคะอืมก็มันสมบูรณ<ช>์ในคำสวัสดีนะคะใช่ใช่ามาว่าไงนะ สวัสดีเนาะอืมค่ะก็ใช้ได้ค่ะท่านคะที่นี้เหลือเวลาอีกสักพักหนึ่งทีฉันอยากจะให้ท่าน<ม>ได้ให้ธรรมะเลย<ม>ว่าดังนั้นถ้าหากจะฝากไว้สําหรับวันนี้เหตุแห่งความสวัสดีคือควา ม, มดีความงามให้กับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังรายการ<ม>สรมสนีนสนทนาเนี่ยอ่าก็ขอให้ท่านได้ช่วยกรุณาเลือกฝากเอาไว้เลยค่ะก็ค <ร asse. S 1> ือบทที่พระสงค์มาจะให้เป็นบทอนุโมทนา เราเอาคําว่าอนุโมทนามาใช้ละแล่วกระว่าคนใดคนหนึ่งก็มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการอุทิศบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะยินดีอนุโมทนาโดยการยืนยันว่าบุคคลที่ทําบุญเนี่ยจะได้บุญบุคคลที่ทําบุญเนี่ยจะได้ความสวัสดีในชีวิตแต่ซึ่งบุญที่เราจะมาในรูปแบบของการให้ทานการรักษาศีลความมีจิตเมตตาเราตั้งสติเอาไว้อย่างนี้ความสวัสดีจะมีในชีวิตเราอย่างแน่นอนแน่นอน ค่ะแล้วเราก็าจะได้มีชีวิตที่ดีด้วยมือของเราเองด้วยการกระ ท, ระทําของเราเองแล้วก็ด้วยการที่บางครั้งอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าการทำจิตก็ได้ใช่ไหมคะใช่ก็เริ่มจากการคิดดีน่วทรงออกมาเป็นการพูดดีแล้วก็มีการกระทําทางกายที่ดีก็จะมีความสวัสดี ในชีวิตของเราะร ว, วันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่าอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้เมตตาให้เวลากับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการ<ม>สัมสนีสนทนานี้<ม>ให้ได้วิธีที่จะทำให้ชีวิตนั้น ม, มีความสุขแบบเป็นปกติแล้วก็มีโอกาสที่จะทุกน้อยลงน้อยลงไปทุกขณะขอให้ท่านมีความสวัสดี แล้วก็ขอสาธุกับความดีที่ท่านทำทุกๆ ท, ท่านอย่างนี้ดิฉันพูดได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ <c oughs> ในะคะแล้วก็นมัสการขอบพระคุณพระมหาภบยบุญอภิปุโรหิจากวัปดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีสําหรับวันนี้ไว้ในอากาศนี้นะคะนมัสการค่ะเดียบานค่ะท่านฟังคะ่ะแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าการที่เราอยู่ในโลกเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับบุคคลเราอาจจะเคยรู้สึก นะคะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็สรุปออกไปด้วยการแสดงออกจะเป็นการกระทําแต่ที่หนักหน่หนหอยส่วนใหญ่จะเป็นคําพูดนะคะด่วนสรุปถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวยังคิดว่าระเผลอมันอาจจะไม่ทําให้ชีวิตเราในพบกับความโศตรีหรือว่าพบกับความสวัสดีก็ได้เพราะว่าจิตนั้นมันเป็น อภิสมนั้นแล้วเราจะไปรู้ได้อย่างไรใช่ไหมคะที่เราจะรีบไปด่วนสรุปคนนั้นคนนี้เรามาทําจิตของเราให้ดีกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ทําให้การที่เราจะจะดำเนินชีวิตต่อไปหรือการที่เราพลั้งพลาดไปแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนะคะว่าคําว่าโหสิกรรมในภาษาบาลีอาจจะไม่ได้แปลว่า ขอให้ไม่ผูกเวรผูกกรรมกันต่อไปแต่ว่าแปล ว, ว่าอดีตมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ด้วยดวงจิตที่เราเนี่ยไม่ต้องการจะผูกเวรกับใครไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมากกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็ทำจิตกันให้ถูกต้องก็แลกันนะคะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แบบเหมือนเป็น ปฏิหารอะไรผิดปกติเพราะพระพุทธองค์นั้นท่านได้ตรัสสอนในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ลองคิดกันต่อไปพรุ่งนี้เรามาติดตามรับฟังรายการสัมสีสนทนานะคะดำเนินรายการโดยสัมสีนาคง์กันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้พุทธวสตรีค่ะ